3. สัญญาขันทุกขะมูลกวาล62บรรดาขัน <men> ห้านั้นสัญญาขันเป็นไฉนสัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมบยุทธ์ด้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีสัญญาขันหมวดละสได้แก่สัญญาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มี ที่เป็นอัพยกฤตก็ม bueno ีสัญญาขันหมวดละสได้แก่สัญญาขันที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกข์ก็มีสัญญาขันหมวดละหได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขขินสี่ก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขินสี่ก็มี ที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสสินสีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยโทมนัสสินสีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเปกขินรียก็มีสัญญาขันโหมดละหมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมวดละหได้แก่สัญญาขันที่เกิดแต่จักขูสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่โสดสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่คาณ์สัมผัสสัญญาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัส สัญญาที่เกิดแต่กายสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัสสัญญาขันธ์หมวดละหมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันธ์หมวดละ7ได้แก่สัญญาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่กายสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสัญญาขันธ์หมวดละ7 มีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมวดละแดได้แก่สัญญาที่เกิดแต่จากขูดสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่กายสัมผัสที่สะหรคตด้วยสุขก็มีที่สะหรคตด้วยทุกข์ก็มีสัญญาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสัญญาขันหมวดละแดมีด้วยอาการอย่างนี้ สัญญาขันหมวดละ9้าได้แก่สัญญาที่เกิดแต่จักสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่กายสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤิตก็มีสัญญาขันหมวดละ9้ามีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมวดละสิบ ได้แก่สัญญาที่เกิดแต่จักรสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่กายสัมผัสที่สหร o r r ด้วยสุขก็มีที่สะ h o r r ด้วยทุกข์ก็มีสัญญาที่เกิดแต่มโนธาตสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตสัมผัสที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอภัยญากฤตก็มีสัญญาขันหมวดและสิบ มีด้วยอาการอย่างนี้6กสสัญญาขันหมวดละ1ได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธด้วยผัสสะสัญญาขนันหมวดละสองได้แก่ส no ัญญาขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีสัญญาขันหมวดละ3ได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธด้วยทุกขเวทนาก็มี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 สัญญาขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีสัญญาขันที่สะหรอคตด้วยปีติก็มีที่สหรอคตด้วยสุขก็มีที่สหรอคตด้วยอุเบกขาก็มีสัญญาขันที่ต้องประหารด้วยสโสดาปัฏตติมักก็มีที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มี ที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มีสัญญาขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มีสัญญาขันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มี ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นของเสกขบุคคลก็มีที่เป็นของอาศะขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสกขบุคคลและอาศะขบุคคลก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นปริตะก็มีที่เป็นมหคัตะก็มีที่เป็นอัปมาณะก็มีสัญญาขันธ์ที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีมหคัตเป็นนารมณ์ก็มีที่มีอปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มีสัญญาขันที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีตก็มีสัญญาขันที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีสัญญาขัน ที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีสัญญาขันที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีสัญญาขันที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีสัญญาขันที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มี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 6กสสัญญาขันหมวดละ1ได้แก ta. ่สัญญาขันที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีสัญญาขันหมวดละ3ได้แก่สัญญาขันที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีสัญญาขันที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ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 ที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีสัญญาขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีสัญญาขันธ์ที่สหรคดด้วยปีติก็มีที่สหรคดด้วยสุขก็มีที่สหรคดด้วยอุเบกขาก็มีสัญญาขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มี ที่ต้องประหารด้วยมรึกเบื้องบนสาก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรึกและมรึกเบื้องบนสาก็มีสัญญาขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรึกก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรึกเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรึกและ Entonces, มรึกเบื้องบนสาก็มีสัญญาขันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มี ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจติและนิพพานก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นของเสกขบุคคลก็มีที่เป็นของอาเะขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสกขบุคคลและอเสะขบุคคลก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็น ป, ปริตะก็มีที่เป็นมหคตะก็มีที่เป็นอัปปมาณะก็มี สัญญาขันธ์ที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นปรญญะนีตก็มีสัญญาขันธ์ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอ <tidy S 2> นก็มี uth, <và heißt S 2> ที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มี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 ที่มีทำภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีสัญญาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ 65. สัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธด้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธด้วยเหตุก็มีที่วิทยุทธจากเหตุก็มีสัญญาขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มี สัญญาขันธ์ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีสัญญาขันธ์ที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีสัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะก็มีสัญญาขันธ์ที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี ที่วิทยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีสัญญาขันที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีสัญญาขันที่สัมพยุตด้วยสังโยชน์ก็มีที่วิทยุตจากสังโยชน์ก็มีสัญญาขันที่วิทยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่วิทยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มี สัญญาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของขันธะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของขันธะก็มีสัญญาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยขันธะก็มีที่วิปปะยุทธ์จากขันธะก็มีสัญญาขันธ์ที่วิปปะยุทธ์จากขันธะแต่เป็นอารมณ์ของขันธะก็มีที่วิปปยุทธ์จากขันธะและไม่เป็นอารมณ์ของขันธะก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มี สัญญาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยโอคะก็มีที่วิปปะยุทธ์จากโอคะก็มีสัญญาขันธ์ที่วิปปะยุทธ์จากโอคะแต่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่วิปปะยุทธ์จากโอคะและไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีสัญญาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยโยคะก็มีที่วิปปะยุทธ์จากโยคะก็มี สัญญาขันธ์ที่วิปยุตจากโยคะแต่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่วิปยุตจากโยคะและไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีสัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์ก็มีที่วิปยุตจากนิวรณ์ก็มีสัญญาขันธ์ที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มี ที่วิปยุตจากนิวร์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณก็มีสัญญาขันที่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีสัญญาขันที่สัมปยุตด้วยปรามาสก็มีที่วิป yep ยุตจากปรามาสก็มีสัญญาขันที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่วิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มี สัญญาขันธ์ที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีสัญญาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานก็มีที่วิปยุทธ์จากอุปาทานก็มีสัญญาขันธ์ที่วิปยุทธ์จากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี ที hay, aan, ini, care, SBS, ่วิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีสัญญาขันที่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีสัญญาขันที่กิเลสทําให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองก็มีสัญญาขันที่สัมปยุตด้วยกิเลสก็มีที่วิปยุตจากกิเลสก็มี สัญญาขันธ์ที่วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีสัญญาขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัติมักก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัติมักก็มีสัญญาขันธ์ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสก็มี สัญญาขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคก็มีสัญญาขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมัคเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมัคเบื้องบนสาก็มีสัญญาขันที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีสัญญาขันที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มี สัญญาขันธ์ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีสัญญาขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีสัญญาขันธ์ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สะหรคตด้วยสุขก็มีสัญญาขันธ์ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นกามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามาวจรก็มี สัญญาขันธ์ที่เป็นบรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นบรูปาวจรก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีสัญญาขันธ์ที่นับเนื่องในวัตทุกข์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ก็มี สัญญาขันที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีสัญญาขันที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีสัญญาขันที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีสัญญาขันหมวดละสามได้แก่สัญญาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีสัญญาขันหมวดละสิบ มีด้วยอาการอย่างนี้66สัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปะยุทธ์ด้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีสัญญาขันหมวดละสได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มี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 ทุก ะ, ก, ะ ก, กะมูลกวาลจบติกะมูลกวาล67สัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก oui ่สัญญาขันท <một> ี่สัมปยุทธด้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีสัญญาขันหมวดละสได้แก่สัญญาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอภพยากฤิตก็มี สัญญาขันหมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้68สัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุตด้วยเหตุก็มีท well SI well ี่วิปยุตจากเหตุก็มีส <disrespect> ัญญาขันท <widz ield> <oversized> ี่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีสัญญาขันหมวดละสาม ได้แก่สัญญาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤะก็มีสัญญาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ 6.9 สัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มี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 อุพโตวัดทกวาลเจสัญญาขันหมทละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุตโดยพัสสะสัญญาขันหมทละสองได้แก่สัญญาขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีสัญญาขันหมทละสได้แก่สัญญาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากริตก็มีสัญญาขันหมทละสิบ มีด้วยอาการอย่างนี้ 7.2 สัญญาขันหมวดละ1ได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละ2ได้แก่สัญญาขันที่สัมปะยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่วิปปะยุทธ์จากเหตุก็มีสัญญาขันหมวดละ3ได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มี ที่สัมปยุทธ์ด้วยอาทุกขะมั Race, สุขเวทนาก็มีสัญญาขันหมวดละ1ิมีด้วยอาการอย่างนี้ 7.3 สัญญาขันหมวดละ1ได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผาาัสสะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีสัญญาขันหมวดละสา ได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีสัญญาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้74สัญญาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะสัญญาขันธ์หมวดละสองได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มี สัญญาขันหมวดละสามได้แก่สัญญาขันที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีสัญญาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ เจสัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมพยุตด้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มีสัญญาขันหมวดละสได้แก่สัญญาขันที่กิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี ที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีสัญญาขันหมวดละ10บมีด้วยอาการอย่างนี้ 76. สัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธด้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละ2ได้แก่สัญญาขันที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีสัญญาขันหมวดละสาม ได้แก่สัญญาขันที่มีทั ages, ้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีสัญญาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้เจ็สบเจสัญญาขันหมวดละหนึ่งด้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธด้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุทธจากอาสวะก็มี สัญญาขันหมวดละสได้แก่สัญญาขันที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหอรคตด้วยอุเบกขาก็มีสัญญาขันหมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้ 7.8 สัญญาขันหมวดละ1นึ่ได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่วิปทยุทธจากอาสวะ แต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีสัญญาขันหมวดละสามได้แก่สัญญาขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปัฏิมักก็มีที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มีสัญญาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้79 สัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีสัญญาขันหมวดละสได้แก่สัญญาขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมักเบื้องบน3ก็มีสัญญาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้80สัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุตได้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุตได้สังโยชตก็มีที่วิปยุตจากสังโยชตก็มีสัญญาขันหมวดละสได้แก่สัญญาขันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุดติก็มี ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนทิจุติและนิพพานก็มีสัญญาขันหมวดละสมีด้วยอาการอย่างนี้81สัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธได้ผัสสะสัญญาขันหมวดละ2ได้แก่สัญญาขันที่วิปยุทธจากสังโยชตแต่เป็นอารมณ์ของสังโยชตก็มี ที่วิปยุตจากสังโยชนและไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชนก็มีสัญญาขันหมวดละ3ได้แก่สัญญาขันที่เป็นของเสกบุคคลก็มีที่เป็นของอาศเสกบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาศเสกบุคคลก็มีสัญญาขันหมวดละสมีด้วยอาการอย่างนี้ 8. ปสบ2สัญญาขันหมวดละหนึ่ง ได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันธ์หมวดละสองได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของขันธะก็มีที่ไม่เป็นนารมณ์ของขันธะก็มีสัญญาขันธ์หมวดละสได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหคตะก็มีที่เป็นอปปมานะก็มีสัญญาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ แปสัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละ2ได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุตด้วยคันทะก็มีที่วิปทยุตจากคันทะก็มีสัญญาขันหมวดละ3ได้แก่สัญญาขันที่มีปริตฐะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มีสัญญาขันหมวดละสิบ มีด้วยอาการอย่างนี้ 8.4 สัญญาขัานหมวทละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะสัญญาขัานหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่วิปยุทธ์จากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีที่วิปยุทธ์จากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มี สัญญาขันหมวดละ3ามได้แก่สัญญาขันที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีตก็มีสัญญาขันหมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้ 8.5 สัญญาขันหมวดละ1นึ่ได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละ2ได้แก่สัญญาขันที่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มี สัญญาขันหมวดละ3ได้แก่สัญญาขันที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนด้วยอาการทั้งสองนั้นก็มีสัญญาขันหมวดละ10บมีด้วยอาการอย่างนี้86สัญญาขันหมวดละ1ได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ ด, ด้วยภัสส สัญญาขันหมวดละ2ได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธเดียวคะก็มีที่วิปยุทธจากโอคะก็มีสัญญาขันหมวดละ3ได้แก่สัญญาขันที่มีมรคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรคเป็นอธิบดีก็มีสัญญาขันหมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้87สัญญาขันหมวดละ1ได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธด้วยผัสสะ สัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่วิปปยุตจากโอคะแต่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่วิปปยุตจากโอคะและไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีสัญญาขันหมวดละสได้แก่สัญญาขันที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีสัญญาขันหมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้88 สัญญาขันหมวดละ1นึ่ได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีสัญญาขันหมวดละสได้แก่สัญญาขันที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีสัญญาขันหมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้89 สัญญาขันหมดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุตได้ผัสสะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุตด้วยโยคะก็มีที่วิทยุตจากโยคะก็มีสัญญาขันหมวดละสามได้แก่สัญญาขันที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีสัญญาขันหมทละสิบ มีด้วยอาการอย่างนี้90สัญญาขันหมวดละ1ได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่วิทยุตจากโยคะแต่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่วิปทยุตจากโยคะและไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีสัญญาขันหมวดละสได้แก่สัญญาขันที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มี ที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีสัญญาขันหมวทละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้91สัญญาขันหมวทละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุตได้วยผัสสะสัญญาขันหมทละสองได้แก่สัญญาขันที่เป็นอารมณ์ของทิวรก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรก็มีสัญญาขันหมทละสได้แก่สัญญาขันที่มีธรรมภายในตนเปนน็นอารมณ์ก็มี ที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีสัญญาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้อุปโโตวัตถกวาลจบพระหุวิทธวานสัญญาขันหมวดละเจ็ดได้แก่สัญญาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มี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 ที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีที่เป็นกามาวจรก็มี Thailand, AH ille, ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกข์ก็มีสัญญาขั น, ท, นที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่เป็นกามาวจรก็มี ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ก็มีสัญญาขันหมวดละเจ็มีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมวดละยีได้แก่เพราะจะักรุสัมผัสเป็นปัจจัยสัญญาขันที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอัพยกฤะดหนึ่ ง, งจึงมี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 สัญญาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่กายสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัสสัญญาขันหมวดละ2ีมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมวดละยี่อีกหมวดหนึ่งได้แก่เพราะจากขู่สัมผัสเป็นปัจจัยสัญญาขันที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาหนึ่งที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหนึ่งที่สัมปยุตด้วยอทุกขมรสุขเวทนาหนึ่ง จึงมีสัญญาขันที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีสัญญาที่เกิดแต่จากขูดสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเพราะโสดสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะคานาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย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 สัญญาขันหมวดละ24มีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมวดละสาสได้แก่เพราะจากขูสัมผัสเป็นปัจจัยสัญญาขันที่เป็นกามาวจรหนึ่งที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกหนึ่งจึงมีเพราะโสดสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะขานัสัมผัสเป็นปัจจัย เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย <Yes. S 1> เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยสัญญาขันธ์ที่เป็นกา ม, มาวจรหนึ่งที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกหนึ่งจึงมีสัญญาที่เกิดแต่จกักรสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัสสัญญาขันธ์หมวดละสาสิบ มีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมวดละมากอย่างได้แก่เพราะจะักขูดสัมผัสเป็นปัจจัยสัญญาขันที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็น น, น, นพยากริศหนึ่งที่เป็นกาม า, มาวจรหนึ่งที่เป็นบรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ไม่นับเนื่องในวัตทุหนึ่งจึงมีเพราะโสดสัมผัสเป็นปัจจัย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 สัญญาที่เกิดแต่จกขู่สัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัสสัญญาขันหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมวดละมากอย่างอีกหมวดหนึ่งได้แก่เพราะจะขู่สัมผัสเป็นปัจจัยสัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสสุขเวทนาหนึ่งจึงมี สัญญาขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นบรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตตะทุกข์ก็มีเพราะโสดสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะขานสัมผัสเป็นปัจจัย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 ที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกหนึ่งจึงมีสัญญาที่เกิดจากขูดสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัสสัญญาขันหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าสัญญาขันพะหุวิถวาลจบ